ฉันจะยอมยอมคือชีวิตที่เธอฝากไว้ั้งที่มันทำใจรับได้ลำบากไม่อยากเสียเธอแต่ชีวิตมันเที่ยงกันไปฉันไม่มีอะไรไม่ควรคู่เธอเจ็บวั น, น เธอเหนื่อยมาด้วยกันสิ่งที่ฝันมันก็ยังไกลแสนไกล Dead one.